ตอนนี้เราจะมาฟังประวัติของนักร้องสาวเสียงแหบสเสน่ห์มีฉายาว่านักร้องสาวเสียงพินยังไม่ชัดใช่ไหมคะยังนึกไม่ออกว่าเป็นใครนึกถึงผมหน้ามาเติอเตอสั้นๆนะคะอ่าแล้วร้องเพลงเต็งโมเตงเมอตเตงมอ่า เ, เริ่มคุ้นกันไหมคะคุณจินตราภูลาบนั่นเองคะ่ะ เธอมีชื่อจริงนะคะว่าทองใบจันเหลืองชื่อนี้ไม่ไม่คล้ายกับชื่อที่ดังเลยนะชื่อเล่นว่าจินเป็นคนเกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดพ่อแม่เนี่ยทำอาชีพเกษตรกรรมค่ะและก็ชอบการประกวดร้องเพลงตั้งแต่ยังเด็กๆเลยโดยตอนเล็กๆเนี่ยนะคะได้ ไปประกวดร้องเพลงมาทั่วเลยแถวภาคอีสานเนี่ยและก็ได้รับการชักชวนจากเฮียยิง้งนักจัดรายการวิทยุเพลงลูกทุง่งให้เชิญเธอเนี่ยเข้ามาเป็นนักร้องของค่ายกแกรมมี่พ้น ง, งานเพลงชุดแรกที่เธอบันทึกเสียงคือถูกหลอกออกโรงเรียนแต่ว่าก็ ยังยังไม่ค่อยดังมากนะคะก็ก็ดังระดับหนึ่งนั่นแหละแต่เพลงชุดหลังๆของเธอเนี่ยโดยเฮียหญิงที่เป็นผู้ปั้นเนี่ยก็ได้มาเปิดค่าย Master ร์ pe แล้วก็เธอเนี่ยได้ปัะสบความสำเร็จคือดังมากๆเพราะไปร่วมกับนักร้องซูเปอร์สตาร์ ฟังสตริงนั่นก็คือพี่เบิร์ดธงชยัยแม็กอินไตในเพลงแฟนจา๋าและก็มาทำไมนะคะเธอก็ร้องในส่วนของภาคอีสานแล้วก็ในต่อช่วงประมาณปี2550เธอก็ได้มาสังกัดค่ายอาสยามสังกัด RS นะคะหลังจากที่ค่ายมัลส์เทปปิดตัวลง การศึกษาที่จบดีนะทจบถึงป ร, ริญญาตรีเลยทีเดียวแล้วก็ผล ง, งานนะคะที่ถือว่าโดดเด่นโดดดังเด้งเลยนะคะอย่างเช่นถูกหลอกออกโรงเรียนวานเพื่อนเขียนจดหมายพลังรักสาวอีสานพลัดถิน่นขอเป็นคนสุดท้ายอย่างนงี้โอ้โห แล้วก็เจ้าบ่าวหายแล้วก็สิ้นหวังที่วังตักไครแล้วก็ธนาคารน้ำตาอยู่ข้างเธอเสมอมิสเตอร์เฮียนนะคะรักรักบ่าวอีสานใต้ขอใจฉันคืนโอ้โหเยอะจริงเลยใจช้ำที่คำฉนดแล้วก็เธอเนี่ยนะครับ ร้องเพลงร้ายต่อหลายเพลงอย่างเช่นชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้ถูกใจแฟนเพลงอย่างรวดเร็วมียอดดาวน์โหลดเป็นอันดับต้นๆของ เ, อเครือข่ายในสมัยนั้นนะคะแล้วก็ใจฉันยังมีเธอก็เพลงนี้ไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในอัลบั้มเดียวนะรวมถึง จากการร่วมงานเนี่ยเธอเธอมีเพลงดังนะหรือว่าคอยพี่ที่มออีแดงรอพี่ที่บอขอสอส่วนใหญ่เธอนักจะรอนะรออะไรเยอะแยะนะสาวน้ำพองสะอื้นแตงโมจินตราจินตราแอปแบโอ้โหแล้วก็มีโฆษณาค่อนข้างเยอะค่ะผลงานการแสดงก็เคยเล่นภาพยนตร์มาหลายแต่หลายช่องแล้วนะเอาละค่ะวันนี้ช่วงนี้เลย เราจะนำเพลงของเธอมาเปิดให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะนั่นก็คือเพลงที่ชื่อว่าถูกหลอกออกโรงเรียนเดี๋ยวท่านผู้ฟังฟังไปน ะ, ะแล้วเดี๋ยวจะแถมด้วยรอพี่ที่บอขอสอนะคะเดี๋ยววันนี้เราฟังเพลงไหนนะั้นมาลุ้นกันนะว่าดีเจแอมจะเปิดเพลงไหนฟังนะคะแล้วเดี๋ยวเราติดตาม สาระน่ารู้ในช่วงถัดไปกันค่ะ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 เดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณสมพรกันค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะให้คุณสมพรแนะนําชื่อนำสกุลและที่อยู่ค่ะครับผมสมพรมหาวันแกมค่ะนำสกุลมหาวันแกมค่ะอยู่บ้านเลขที่ยี่สิบหกหมู่สามตำบลบางม่วงอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะอยู่ตําบลบางม่วงอําเภอเมืองนครสวรรค์ะบนะคะ ครับค่ะคุณสมพรคะก่อนหน้าที่จะมาใช้มูลไบร์เนี่ยคุณสมพรเป็นอะไรมาคะ อ, อ๋อผมปวดใน ห, หัวเข่าครับเป็นหัวเขา่าเดินเสียวเสียวเดินปวดอืมมันกินยามันก็เบามันก็หายไปค่ะที่บอกว่าเดินแล้วเสียวในหัวเข่าเนี่ยเป็นมากี่ปีคะก็ประมาณเกืบเกือบปีได้ เกือบปีนอืมก็เป็นนานไงเป็นมาเกือบปีเนี่ยแล้วพยายามหาวิธีรักษามาก่อนไหมก็ใช้ยานวดมาเรื่อยวดทุกวัน<า>นวดมันก็ยังไม่หายมันก็อพอเดินยกของหนักมันกเขียวเข้าอออคือใช้ยานวดยี่ห้ออื่นมาพอสมควร นวดยังไงก็ไม่หายอ่ะยกของหนักก็เสียวหัวเข่าเหมือนเดิมอือเป็นมาปีหนึ่งแล้วอ่ะพอมาฟังวิทยุฟังรายการมูลไบรท์แล้วลองโทรสั่งสั่งไปแล้วเห็นบอกว่าใช้แค่ชุดเล็กเองแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ไม่ไม่ปวดแล้วมันก็มันก็ไม่มียกเท้าหัวเสียวเลยก็หายไปออกความรู้สึกที่ว่าเสียวมาตลอดหนึ่งปีเนี่ยหายไปเลยครับมันก็ไม่หาย มันก็ไม่เป็นอ๋อมันก็ไม่เป็นอีกนะค่ ะ, คะแล้วคุณสมพรมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ฟังทางวิทยุไหมที่ทำงานหนักปวดหัวเขา่าแล้วก็คิดว่ามันน่าจะหายเองอ่ะจะฝากอะไรกับเขาคะกอ ค, คนที่ฟังอยู่ก็ลองมาใช้ดูครับเพราะพผมใช้อยู่ลองใช้ชุดเล็กมันก็หายไปเลยอืมออ แตมันต้องลองด้วยตัวเองครับนั้นไม่รู้อืมบางคนเขาไม่มั่นใจอะค่ะกลัวว่าการสั่งซื้อสินค้าทางวิทยุเนี่ยจะโดนหลอกไหมกลัวจะบอกอะไรกับเขาคะอ๋อไม่หลอกละครับมันก็ใช้แล้วมันหายแลัวเขาไม่หลอกนะครับอืมสินค้าเขาใช้ดีจริงๆอะนะคะครับค่ะครับ ทางรายการมูลไบร์นะคะต้องขอขอบคุณคุณสมพรมหาวันแจมเป็นอย่างยิ่งนะคะที่อยู่ตำบล บ, บางม่วงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับชาหมือชชาเท้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ำมันมูลไบร์ดำ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 เดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณลุงกันค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะให้คุณลุงแนะนาําชื่อนามสกุลและที่อยู่ค่ะอ๋อชื่อย้อนยาวิเศษครับค่ะแล้วก็อยู่บ้านเลขที่96หมู่7ตําบลพระนอน อ, อําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะหมู่7ตําบลพระนอนอําเภอเมืองนครสวรรค์ น, นะคะครับค่ะ คุณลุงยอนคะก่อนหน้าที่จะมาใช้มูนไบรท์เนี่ยเห็นคุณลุงบอกว่าเป็นกระดูกทับเส้นเป็นมากี่ปีคะเป็นมาห้าหกปีแล้วครับอืมแล้วอาการของกระดูกทับเส้นของลุงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะโอโ้โหเดินไม่ได้เลยครับปวดหลังปวดขาปวดขานี่มันเดี๋ยวนี้มันชาอื ม, มแล้วก็ กินยามันก็เบาไปชั่วขณะแล้วมันก็มันก็กลับมาเป็นอีกอ๋อก็คือว่าปวดหลังปวดขาโดยเฉพาะ อ, อ, อาการชานเนี่ยเป็นมากที่สุดถูกไหมหน้ารำคาญแล้วออลุงมารู้จักกับมูลไบรได้ยังไงอ่ะคะก็ฟังวิทยุ fm นะครับวิทยุ fm แปดแปดจุดห้าอะไรนะ่ ค่ะแล้วลุงฟังแล้วเนี่ยลุงตัดสินใจสั่งเลยไหมเชื่อเลยไหมว่าเออไอที่สัมภาษณกันมาเนี่ยโอใช่เลยหรือว่าอย่างมันครับมันตรงมันตรงกับโลกเลยก็ให้ลูกโทรเลยผมโทรไม่เป็นอ๋อโทรศัพท <c oughs> ์โทรศัพท์ลูกโท ร, โท ร, โทรไปหาเลยพอฟังแล้วผมก็โทรไปท่านอ่ะอืมแล้ ว, นะอลวเ อ, อ่อพอคุณลุงใช้เข้าทุดที่สองเนาะอาการตอนเนี้ย ที่บอกว่าแต่เดิมมปวดหลังมากชาเป็นนู่นเป็นนี่อ่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นยังไงเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วครับเมื่อก่อนอก่อนกินนี่มันก็ต้องใช้ไม้เท้าเดินมั่งอปวดปวดจัดค่ะแต่ก่อนนี่คือปวดจัดปวดถึงขนาดต้องใช้ไม้เทา้าครับไม่ต้องไม้เท้าช่วยอเยืเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้ว อเดี๋ยวนี้ทิ้งไม่เท้าแล้วครับอ่าแล้วไอ้ที่ <c oughs> ไอ้ที่แบบว่าสมัยก่อนเหมือนกับปวดปวดมากๆทรมานนี่เวลานั่งนอนเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังเป็นอยู่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่เป็นเลยครับเป็นมันเป็นอยู่ถ้านอนหงายแล้วมันจะชาชาต้องยกขากลับอ๋อเป็นอย่างเดียวแค่ท่านอนหงายเท่านั้นส่วนที่อย่างอื่นเนี่ยคือไม่เป็นแล้ว ครับี่ปกติทีหลังก็ไม่เป็นอืมที่หลังก็ไม่เป็นไม้เท้าก็ไม่ต้องใช้ครับผันธน์สาแสดงว่าตะก่อนลุงเนี่ยต้องใช้ไม้เท้าตลอดเวลาเดินไปได้ไม่ไกลใช่ไหมคะครับเดินเดินก็ไม่ไกลเดินไปหน่อยหนอยแล้วก็ต้องหยุดแล้วอืมค่ะ แล้วคุณลุงมีอะไรจะฝากท่านผู้ฟังทางวิทยุไหมเพราะบางคนเนี่ย อ, อกังวลว่าฟังทางวิทยุแหสินค้าที่สั่งมาเนี่ไม่ค่อยมั่นใจอ่ะค่ะลุงอ่าก็ก็อยากจะบอกก็ว่าถ้าพูดถึงว่าฟังวิทยุแล้วถ้าพูดถึง้องเป็นก็ให้ลองดูอย่างชุดเล็กก็ได้ถ้าเป็นไม่มากเนี่ยมันก็น่าน่าจะหายอืมเป็นมากๆแล้วก็ต้องชุดใหญ่แล้วค่ะ ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่เราเป็นนะนะคะอ่าถ้าเป็นมานามันก็ต้องใช้เวลาดูแลนานหน่อยครัอแต่ขนาคุณลุงนี่โหสมัยก่อนเดินไม่ได้ต้องใช้ไม้เท้าอยู่นี้ทิ้งไม้เท้าแล้วหนูก็ดีใจมากแล้วนะคะเนี่ยครับครับค่ะค่ะทางรายการมูลไบรนะคะต้องขอขอบคุณคุณลุงยอนยาวิเศษอยู่หมู่เอ็ดตำบลพระนอนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เป็นอย่างยิ่งนะคะครับ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 ควมรอน อทนสู้ไวเมื่ออยากสอ้งเราห่างไกลขอใจเราไม่ห่างกันคอยอ้ายคืนทองทุ่งดอกจันยืนต้นรอสายฝนลางคลายดังน้องคอยความฝัน ตกใจ เดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณสงวนกันค่ะสวัสดีค่ะคุณสงวนคะค่ะชื่อสงวนสีทัพทิมค่ะอยู่บ้านเลขที่แปดสิบทับสามเนี่ยค่ะอยู่ตำบลพะนอนอำเภอเมืองนครสวรรค์นี่แหละค่ะอำเภอเมืองนครสวรรค์นะคะค่ะอำเภอเมืองนครสวรรค์ค่ะค่ะคุณสงวนคะอาการก่อนที่จะมาใช้ผลิตภัณฑ์ของมูลไบรท์คุณสงวนเป็นอะไรมาบ้างคะโอ้ปวดเมื่อย ทั้งตัวเลยตั้งแต่ให้ทอยยันโน้นเลยปลายเท้าเลยล่ะยืนนานๆก็แบบมันมันชาชาจากก้นย้อยขาใหญ่ลงไปเนี่ยชาแล้วปวดด้วยค่ะเป็นหมดตะแขนเขินเพราะว่าทำงั้นหนักไงตะพายเป้ฉีดยาค่ายาอายุตั้งห้าสิบแลว้วตะพายเป้แทบไม่มีวันหยุดเลยทำมาตลอดอนะ่ะ คนนี้พอก่อนหยุดนี่ไปลุยลมถอนต้นอ้อยเดินเลยอ่ะออืสะพายเปยด้วยมันหนักพอหยุดปึ๊กเจนมันก็นลยยุดไงโอ้โหทาไงอ่ะนอนง่ายก็ไม่ได้แล้วว่ามันปวดเอ้ยยาอะไรเมื่อกี้น่ะย า, ยายาชุดของพวกยาสมัยใหม่อ่ะกินมันก็หายแค่คืนสองคืนพอหมดย า, ยามันก็ปวดอีกโอ้โหถ้าอย่างนี้ตายพังจะมั่งกันนึกอยู่มันนอนฟังวิทยุพอหยุดแล้วก็นอนฟังเออเอตอปกุญช์เขาอ่ะ พี่ร่างกายเราเป็นนะเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะกดเต้นแบบล็อกเลยอ่มืออปวดกำไม่เข้าเลยอ่ะก็เลยเอาตัวนี้มากินทีเออพอกินไปแล้วมันนอนมันนอนหงายได้อะไรได้ม้งแล้วตอนนี้แม่นี่หนักกี่กิโลพี่ยี่สิบลิตรหนักเท่าไหร่แม่ลูกยี่สิบลิตรยี่สิบลิตรทับถังน้ําแกลอนใหญ่ๆเลยนะพี่เออค่ะยี่สิบกิโลเท่าประมาณยี่สิบกิโลเลย โอ้ยก็สองร้อสมร้อยไล่อะทำอะแล้วช่วงหลังนี่ก็หักก็พวดอีกเนี่ยโอ้โหปวดขยันมากโอ้โ ห, โหจริงๆไม่ได้หยุดอะปวดอนอนไม่หลับเลยอ่ ะ, ะเป็นท้องนี่ตึงเลยอ ะ, ะฟังฟังที่เขาตำพากันวาโอ้โหบางคนนี่นอนก็กลัวตัวเองจะนอนอย่างนั้นนาที<ะ>แล้ว ลีนาก็จะทําอ้อยเพิ่มอีกอ่ะมันมันนอนไม่ได้อ่ะต้องไงต้องหายตีนให้หายให้ตัวเองร่างกายแข็งแรงเอไว้อ่ะแบบยืนยังยืนยังไม่เต็มได้เลยแจะส้นน่ะปวดอปวดอุ้มตีนเดินเคลื่นปูนนี่ต้องใส่รองเท้าช่วยเลยอ่ะค่ะโหเป็นหนักนะเนี่ยสนักแล้วล่ะแต่การปวดข้อเข่าเนี่เป็นมาปีนี่ลเริ่มมันเริ่มตึงเส้นแลไม่ใช่ปวดข้อเข่ามันตึงเส้นตึงเส้นที่หัวเข่า ค่ะตึงจากเนี้ยนะหมดทั้งทั้งร่างกายอะ่ะเพราะว่างานมันหนักไงบางครั้งก็จ้างหมอมานวดหนงชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยแต่ครนี้พอวัดแล้วก็ไปทานนํางานนานอีกแล้วก็ตึงยังเก่าแล้วพี่ใช้ผลิตภัณฑ์ของมูลไบรท์ใช่อนอนหลับแล้วค่ะนอนหลับเลยเหรอพอนอนหลับได้มั่งแล้วตอนเนี้ยสบายใจโหดก็เลยสรุปว่าของมูลไบรท์เนี่ยทําให้นอนหลับ ค่ะเรียว่าได้ผลมากกว่าทุกอย่างที่พี่เคยกินเคยใช้มาเลยใช่ไหมพี่ค่ะอือก็คือเบาเลยแล้วไม่กลับมาเป็นอีกด้วยถ้าเราไม่เป็นอันหนักอนะมันก็ไม่กลับเป็นค่ะแล้วพี่มองว่าผลิตภัณฑ์ของมูลไบร์อ่ะค่ะราคาแพงไปไหมร้ขไม่แพงนะคะถ้าถ้าเป็นแล้วกินหายเนี่ยไม่แพงเลยค่ะค่ะค่ะอือ ค่ะแล้วพี่อยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ฟังทางวิทยุท่านอื่นไหมคะที่อาการแบบพี่เลยอะ่ะค่ะถ้าเป็นอย่างนี้นะสั่งสั่งเข้ามากินได้ถ้ามูนใบเนี่ยดีมากเลยค่ะค่ะเป็นเราเห็นผลเลยค่ะชุดเล็กเนี่ยถ้าเป็นไม่มาในชุดเล็กนี่เห็นเลยค่ะเบาเลยเป็นดีหายเลยค่ะค่ะทําไม่งั้นเนี่ยฉันนอนไปแล้วเนี่ยอาการแบบเนี้ยมันเดินเดินแบบ เหมือนคนแก่แบบอายุมากๆเลยอ่เดินน่ะเรียกได้ว่าชีวิตเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยไม่ต้องทรมานเหมือนแต่ก่อนแล้วไม่ต้องทรมานนอนหลับทางรายการมูลไบรท์ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณสงวนศรีทัพทีมเป็นอย่างยิ่งนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ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 สามเก้าสี่หกเก้าเจ็ดเจ็ดเดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณปริยากกรพาลีกันค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าค่ะจ้าสวัสดีจ้าให้คุณป้าแนะนําชื่อนามสกุลและที่อยู่ค่ะชื่อปริยากรภารี่จ้าคุณปริยากรพารีนะคะอยู่่ไหนใ ค, คะบ้านเลขที่อยู่พนันขาอำเภอเมืองค่ะ จังหวัดค่ะจังหวัดนครสวรรค์ค่ะค่ะอ่าหมู่สิบสองตำบลพระนอนอำเภอเมืองนครสวรรค์นะค ะ, ะค่ ะ, ะคุณป้าเนี่ยเอ่อก่อนที่จะมารู้จักกับมูนไรส์คุณป้าเป็นอะไรมาคะที่แรกมันจะเป็นบ้านเอวแล้วก็ไปนวดนวดเประบบทั้งตัวเหมือนกั้มเนื้อแดดอะแล้วก็ไปอบไปอบเแค่ทุเรา่าทุเรา่าแล้วก็เขาแนะนําให้ไปกินกินก็ค่อยยิ่งชั่วเลยมาหมดหาซื้อไม่ได้ นี่มาฟังรายการเน็เป็นแล้วก็สัางต่อมาแฟนเขาก็เป็นเส้นทีิจนี้เขาก็กินหายออยานวดไปดึงเส้นก็ไปดึงไม่เบาเพอให้เขามากินตัวนี้แบ่งกันคนละกระปุกเออเขาหายขาดเลตอนนี้โลแล้วแฟนเขาเป็นอะไรค<น>ะที่หายขาดเนี่ยสียามาต้องหลายเข็นดึงก็ดึงเป็นเหมือนเส้นพลิกเนี่ยอ๋อเส้นพลิกจ้ะเป็นกริษ แส้นอภิษแล้วเป็นไงชาชาชาตามบริเวณไหนหรือปวดตรงไหนบ้างเขาไม่ชาเขาจะปวดอปวดไปนวดจังละเคี้ยวก็ไม่หายพอมาตัวนี้ทีเออเขาบอกเขาหายแล้วตอนนี้ก็แบ่งให้เขากินตะกรบุกหนึ่งโอ้โหเราทํางานหนักไงรู้เรื่องเลยเนอะอ่ารู้เรื่องเลยแสนขอแสนหายเลยตอนนี้เขาก็บอกว่าหมดแล้วแฟนหายจะโทรใหม่ซิวังนั้นแต่เราเดินมากนะเราเดินเราชาด้วยไงออื คุณป้าอายุเท่าไหร่คะห้าสิบหกแล้วตอนนี้ห้าสิบหกนะคะแล้วที่บอกว่าปวดเส้นกระดูกขับเส้นน่ะรักษามาหลายทีอ่ะหมดเงินไปเยอะไหมโอ้โหเป็นแสนแล้วเป็นแสนจ้าท่านผู้ฟังคะเป็นแสนแล้วนะคะค่ะมาเจอมูลไบชุดละไม่กี่บาทเลยก็อยากจะกินต่อนะก็โทรสั่งใหม่ก็ราุดเก่ากันเขกปัหาไปแล้วค่ะ มันเหมือน <Ừ. S 2> ก้านเนื้ออมุดอ่อนแรงอะค่ะเลยเพื่อนๆเขาก็จะสั่งอีกเลยก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะสั่งมาอีกสักพุดหนึงว่างั้นค่ะต้องการพุดใหญ่เลยแล้วคุณป้ามองว่าเออเนี่ยผลิตภัณฑ์มูลไบร์อ่ะราค า, ามัน ม, มันมั น, ม, นมันแรงไปไหมมั น, นก็ไม่เลยนะถ้าเราหายอย่างเนี้ยดีอย่างแฟนเขาหายเนี่ยมันก็ไม่แรงค่ะ มันดีกว่าจะไปกินไอ้แก้ปวดแก้นั่นบ่อยๆมันรักษาเส้นเอ็นดีมากเลยจ้ะแล้วคุณป้ามีอะไรจะฝากไหมบางคนฟังฟังอยู่ทางวิทยุคิดว่าพวกเราเนี่ยเป็นหน้าม้ากันไม่ค่ฟังประจำเลยเนี่ย <c oughs> ค่าฟังประจำจ้าของเขาดีจ้ะอือป้าใช้จริงทานจีนเนาะอืจ้าค่ะเย่จะแนะ น, นำให้เพื่อนเพื่อนเขบอกว่า ขอเขาปลูกหน่อยจะไปเดินซื้อบอกซื้อไม่ได้จะขอเบอร์โทรจากฉันนี่โทรสั่งเลยว่า ง, งั้นฉันเป็นมาแล้วพอฉันหายเมื่อวานเราเราเราขายของนะรับรถทั้งวันเนียขายผลไม้ขายชอบข้าวไงือกฉันเต็นเนี่ยโหฉันเป็นบอกคือเนี่ดีกว่า ง, งั้นฉันหยุดจริงมานานเลยเนี่ยพอเริ่มมันขับรถทุกวันมันปวดเมื่อยงั้นจะโทรสั่งชุดนึงบอกเขาว า, เางเขากอกขาปลูกเขาไว้ สรุปก็คือว่าตัวนี้ใช้ได้ดเลยใช่ได้ใช้ได้ดีจ้ะค่ะแล้วคุณ ป, ป้าสใส่นิดนึงค่ะป้าเป็นกระดูกทับเส้นที่บอกว่าปวดเอ่อตามร่างกายเป็นมากี่ปีแะคป้าโอ้โหตั้งแต่ลูกอายุแป่ขวบตอนนี้ลูกอายุยี่สิบแล้วรถมันชนกันไงียอยแต่หมอก็จะให้ผ่าให้ผ่าแึงก็ไม่ยอมผ่าก็เที่ยวหายากิบมาทั่วเลยอเป็นมาสิบสองปีใช่ใช่ หมอจะผาให้ได้ก็ไม่ยอมผาแล้วหมอจะให้พาแต่ไม่ยอมพาเพราะกลัวไม่ยอมผ่าจ้ะทําไมไม่ผ่าก็บอกห้าสิบห้าสิบมาบอกห้าสิบห้าสิบเลยหายก็ไปหายเลือกเอาเขาว่าเนี่ยเราก็หมดอะไรแต่อยากเลยก็เที่ยวเาะแต่หายยากินก็มาเจอตรงนี้ดีที่สุดอืมจ้ะจ้ะอก็เลยมาใช้มูลใบแล้วก็ได้ผลลัพธ์อย่างที่ท่านผู้ฟังได้ฟังไปนะคะ ค่ะทางรายการมูลไบร้ต้องขอขอบคุณคุณปริยากรภาลีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่วันนี้ได้มาบอกเล่าประทับใจอย่างไรนะคะขอบคุณมากค่ะจ้าจาค่ะหากท่านใดอยากป้องกันบรรเทาอาการปวดเมื่อยไม่ว่าจะเป็นปวดหัวเขา่าตักคริวนิ้วล็อกชามือชาเทา้ากระดูกทับเส้น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 ฟรีย้ำสั่งชุดน้ำมันมูลไรท์ชุดใหญ่รับของแถมฟรีชุดใหญ่เท่านั้นที่มีของแถม น้องก็แก่คุณแม่หูตาปัสใยกายต่ำบะคุมต่อวันสิได้เท่าใดมีเมือกับพอใส่ได้ปิ่งไก่ก็นัวอีลีขเฝ้าเมืองอุดรมานอนห้องเขาในคืนตาวเชยเชยเปิ้ทุท่งจากที่นอนอุดรอานี ถ้าคนรักเราไอเอาลูกเมียละตีถ้าน้องแน่รอไม่ถึงดี้ามายมีผูใ้ใดกอดน้อง นอนกรุงไม่มุง่งหาเงินช่วยแม่คุณพ่อของน้องอก็แก่คุณแม่หูตาบอใสาขายตำบาคุ่ต่อวันสิได้เธอได้ดมีมือกับพอใส่ได้ปิ่งไก่ก็นัวอีลีเฝ้าเมืองอุดรมานอนห้อง เชยเชยเปิ้ลทุ่งจากที่นอนอุดรธานีจากคนรักเก่าไอเอาหลูกเนื้อตีข้าน้องแน่รอ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงมู b ไ i ร h t สัญจรบอกเล่าเก้าสิบความประทับใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มูลไบรท์ค่ะวันนี้นะคะ dj แอมค่ะอยู่กับคุณวิพาโพสีนะคะซึ่งมีความประทับใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มู b ไ i ร h t ค่ะสวัสดีค่ะคุณวิพาค่ะสวัสดีค่ะค่ะแนะนำชื่อนามสกุลและที่อยู่เลยค่ะวิพาโพสีแปดพันสี่ค่ะ เบลรสหตำบลนาซายอำเภอเมืองจัตหนครสวรรค์ค่ะค่ะคุณวิภาคะก่อนที่จะมารู้จักกับมูลไบรท์เนี่ยเอ่อเป็นอะไรมาคะปวดขาเดินไม่ค่อยไหวอะค่ะค่ะไปหาหมอหลายที่มากเลยอืมค่ะหมอก็ให้กินยาเยอะมากเลยค่ะแล้วมันก็ไม่มีอาการดีขึ้นนะคะค่ะที่ปวดขานี่เป็นมากี่ปีคะ อประมาณสามปีค่ะอืแล้วเวลาปวดขาเนี่ยปวดขนาดไหนอะคะปวดเดินไม่ได้เดินแล้วแบบเหมือนขาอ่อนเหมือนจะล้มเองอะค่ะเหมือนขามันย่อลงจะล้มเองเวลาเดินแล้วตอนนั้นที่ขามันเดินแบบนั้นอะทำงานได้บ้างไหมคะ่เดินได้จะเดินได้ไม่ไกลอะค่ะ เดินเดินได้เหมือนกับว่าเข้าห้องน้ำอะไรเองได้แต่ว่าเดินเดินเหมือนไปบ้านคนอื่นน่ะเดินไปไม่ไม่ได้ไกลค่ะอืมก็เหมือนกับคุณภาพชีวิตเราก็แย่ลงอะนะคะค่ะแล้วหลังจากที่มาใช้มูลไ i ร h ์แล้วเนี่ยอาการดีขึ้นหรือเปล่าหรือยังไงบ้างคะก็มันมีอาการแวนทั่วขึ้น แล้วก็มันก็ไม่ปวดเวลากลางคืนขาก็ไม่ปวดแล้วก็เดินเดินไปเที่ยวบ้านยองบ้านยากอะไรอ น, นี้ก็เดินไปได้ไกลอะค่ะอืมค่ะก็ดีขึ้นเยอะอะค่ะค่ะแล้วคุณวิพามองว่าเออเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราเบาตัวขึ้นเราดีขึ้นเนี่ยราคาของสินค้ามูลไบรท์เป็นยังไงบ้างคะก็ผลิตภัณฑ์ก็ดีอะค่ะ เหมือนมันไม่มีอันตรายอะไรด้วยเป็นุงไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะินแล้วมันก็มีอาการดีขึ้นก็เลยต้องสั่งมาทิ้งทิศต่อกันค่ะแล้วคุณวิพามีอะไรจะฝากกับคนที่มีอาการคล้ายๆคุณวิพาบ้างไหมคะค่ะคนที่มีอาการแบบคล้ายๆก็ก็ต้องลองทานดูเนาะแล้วก็จะเห็นผลว่าดีขึ้นแล้วก็จะเดินไปไหนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะ ทางรายการมูลไบรท์ก bueno ็ต้องขอขอบคุณคุณวิพาโพสีอย่างมากนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสบายดีค่ะทนปวดอยู่ทําไมต้องจ่ายเท่าไหร่ถึงจะพอจะดีกว่าไหมถ้าหายปวดเบาตัวในชุดแรกที่ใช้ถ้าใช่ชุดน้ามันมูลไบรท์คือคำตอบ สอบถามได้ที่เบอร์ศูน3 9 4 6ดหนึ่งสามเก้าสี่หกเก้าเจ็ดเจ็ดจำศูนย์ดหนึ่งสามเก้าสี่หกเก้าเจ็ดเจ็ดเี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณประทีปแสงเพชรกันค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะให้คุณป้าแนะนําเอชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่ค่ะชื่อประทีจ้านามสกุลแสงเพชรนะคะค่ะอยู่ตําบลวัดไซจ้าค่ะตําบลวัดไซยอยู่หมู่ที่เท่าไหร่หมูเท่เ น, ะ น, นาะบ้านเนินโพค่ะบ้านเนินโพตําบลวัดไซอําเภออ้าหมู่สิบจ้าหมู่สิบนะคะอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ป้าหมูเจ็ดอหมูเจ็ดค่ะขอภัยค่ะค่ะคุณป้าคะก่อนหน้าที่มารู้จักกับมูบนไบนี่คุณป้านี่เออเป็นอะไรมาคะเล่าให้พวกเราฟังนิดนึงอ่ะคะ่ะโอ้โหแล้วป้ายกไหลทวนจ้าค่ะยกไหลแล้วก็ลงมาหลังค่ะลงมาหลังแล้วลุกไม่ได้เลยอืมนอนอยู่บนบ้านถ่ายเยี่ยวอยู่บนบ้านยกตลอดขยับตัวไม่ได้ยก ค่กม็มาเนี่ยแถวนี้เขกินันเยอะแถวโน้นโพเนี่ยนะเขากินกันเยอะมุนไว้เนี่ยเขาก็ลาฟัาาาาาาางว่ากินเป็นั้นเป็นี้สิเนี่ยมุนไวเนี่ยกินแล้วหายยูเอวเรากินเลยปลาชื่อเล่นปล<ร>าก็สัก็กิาชื่อเล่นชื่อแหววจ้ากินเลยเห็นก็สั่งมาเนี่ยชุดก็กินยังไม่ทันหมดดีก็ลุกได เบาย่อกันนะที่ว่ายอคุณลุกไม่ไหวอะห่ะค่ะมันก็เบาลุกได้ลุกถ่ายนั่งถายขยับขึ้นถ่ายก็ถ่ายบนเรือนนั่นแหละเดี๋ยวบนเลือนนั่นแหละวางงั้น เ, นเนนธอพูดยังไม่อายอ่อะเขขยับลุกได้ไม่ยกแล้วพอท่ายมาอีกประมาณสักสิบกวันน่ะค่ะถึงจะขยับลงกระไดได้ลงบ้านได้อืมค่ะเลื่อข้าวของมาข้าล่างได้เลยไม่ย่อไม่ไล่ไมันก็ตกแล้วค่ะ ก็ลงมาเข้าลงมาเมืงล่างก็ควาาไม่วกวาดกวาดแต่ถุนุ่งช่องพอได้บางพอฐานหมดชุดก็พอบ่ายเข้าขายของนักหนักก็เขาเจ็บพักบู่มาอะไรมากขามานั่งก้ามไม่เข้าได้เลยช่วยเหลือทางครอบครัวได้ก็ดีขึ้นเลยนะวางมันก็ดีขึ้นเลยอะโรดิไซดีหายแลย้วที่ว่าย่อ อ, อะไรเนี่ยอืมแสดงว่าสมัยก่อนก่ อ, อนหน้านี้คือเดินไม่ค่อยขนาด แล้วก็ไม่ได้เลยจาะเดินไม่ได้เราอยู่บนเรือนจาะพวกนั้นน่าเดินไม่ได้เลยนอนกินอยู่บนเรือนหมอนต้องสูงตักข้าวกินค่ะแล้วก็หลอดก็กินน้ำก็ใช้หลอดไปได้ลงงอไปขอนอนดูดยอกตลอดระยะเกือบสองเดือนนั่นอนอยู่บนเรือนอยู่อ่ะทาอะไรไม่ได้เลยค่ะแล้วน้ําหนักห้าสิบเบอร์แค่สามที่แปดจ้ะ โอ้โหลงไปค่อนข้างเยอะมากนะคะเยอะเลยพร้อมใครเห็นก็โหอืมแล้วคุณป้าเนี่ยคือบางคนนะคะคือฟังฟังบอกโอ้ยของมูลไบส์เนี่ยมันก็ข้ามทําท่าจะดีนะแต่ว่ายังไม่มั่นใจเพราะว่าจากประสบการณ์ของลูกค้าท่านอื่นโดนหลอกมาเยอะเอิอาศัยว่าเห็นว่ามันมีความน่าเชื่อถือแต่พอสุดท้ายกินแล้วก็ไม่ได้ผลก็กลัวว่ามูไบเนี่ยจะไม่ได้ผลเหมือน ของเดิมที่เขาเคยใช้อันเนี้ยคุณป้ามองอยังไงคะโอ้โหเจ็คนอื่นอย่างเงี้ย น, นะเจ็บป้าจะเป็นอย่างตายน ะ, ะป้าสิ้นหายอะ่ะคนอื่นย่งเมื้ยเน่เนยเจ็บป้าโดนกระป้ายังเลยนะค่ะป้าหายแตคิดว่าคนที่เป็นก็ลองกินเพราะว่ะถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้อ่ะของอัไ ร, ไ ร, รไต้องลองใช่ไหมเล่าพูด บ, บอกไปไมันก็จะหาว่าเป็นยังคุณหมากอะไรเงี้ยมันต้องลองไม่ลองไม่รู้อืม ปตาเนี่ยลองลองฟังมานะฟังแถวเนื้อโพเขากินกันหลายลายแล้วก็กินตัวหูมาเยกะอะไรฟังเขาบอกเหย์มากินตัวนี้ยขามึงไม้หายชาบอก็เป็นนะเขาชามึงชาตีนี่ก็เป็นเนี่ยที่เขาไลฟังก็กินกันเนี่ยทางวัดเนื้อโพเนี่ยเขาก็หายค่ะบอกเมย์กินโัวหูมันจะต้องมานนี่แหวอไม่กินตัวนี้มาถูกตัวนี้ถูกมุนไว้เองหายชาตีนมือเขากินเนี่ยคนชื่อเชียนนะค่ะ ท้องชาหายชาตึงเนื้อท่านยเคยเด็กไว้ตาดตึงเนื้อครั้งแรก อ, ะอ่ะนี่ป้าตึงเลยนะเขามามาเจอะเขามาเงน้ยโก็เป็นมากเลยเลยว่าป้ามองว่าของมูนไบรท์เนี่ยเป็นลักษณะใช้ดีแล้วบอกต่อใสอ่หนักบางทีมันเท้องตึงนะท้องป้านแข็งนย่างกระาษปรนะกดหน้าปวดท้องปวดไม่ลงเลยหนูแข็งแล้วก็ะาษกินมูนไว้วมันตึงมันหายตึงหย่อนไปหมดแล้ว ท้องมันหย่อนดปหมดเมาเส้นท้องเรามันตึงอ่ะเรานอนแล้วปวดหลังมากอ่ะค่ะนี่เกินไปอย่างก็เส้นท้องมันตึงแล้วก็ถ่ายสบายเนื้อตัวมันเบาแข้งขาเบาโดนแล้ก็มันมุยอกอ่ะมันดีแล้วก็เนี่ยมันใส่ชุนั้นเลยความสุขของตานั่นคือปากินอ่ะดีบอกมึงผูไม่ถูกว่ามันดีอ่ะต่างไม่เชื่อว่าเคยกินตะมูลไว้เนาะปากกินตรงนี้มันต้องหลายวซ่แต่มันเน่ยมันดีมันเก็บตะมูลไว้เนี่ยกินมันมันเข้าท่าเข้าทามันมันเบามันหายอ่ะ อืมอค่ะเอาละค่ะยังไงนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณป้าประที<น>่ยงแสงเพชรนะคะที่อยู่หมู่เจ็ดบ้านเนินโพตําบลวัดไซอังเภรเมืองจังหวัดนครสวรรค์ น, นะคะอาการเดินว่าเหมือนกับว่าเดินไม่ได้ต้องขับถ่ายอยู่บนบ้านแล้วก็วจะเป็นภาระให้กับคนทางบ้านต้องดูแลถล้ำ<ต>มากมากเลยแต่ตอนเนี้ยคุณป้าเนี่ย ใช้ผลิตภัณฑ์มุลไรท์ไปตอนนี้เดินเดินได้แล้วตอนนี้ก็สามรถับใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะขายผักทำงานทุกอย่างได้หมดนะคะซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการที่ใช้มุลไหรท์ไปคือคุณป้าก็กำลังจะบอกว่าใครก็ตามนะที่ไม่มั่นใจอยากให้ลองเพราะอย่างน้อยเนี่ยถ้าได้ลองแล้วมันโอเคมันดีขึ้นเขาก็ลองเนอะงั้นค่ะค่ะยังไงต้องขอขอบคุณคุณป้ามากนะคะจ้าจขอบคุณค่ะ